ก็ถ้างั้นอย่างนี้ก่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยเรามาคุยถึงเรื่องทิศทางกันก่อนนะครับทิศทางของตัวเพย์คิวคจะไปในทิศทางไหนนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทุกคนรู้รู้ว่าข้อมูลของเพย q หรือว่าผมใช้คําว่าวิสัยทัศน์ของคุณโอมแล้วกันเนาะหรือว่าแม้กระทั่งวิสัยทัศน์ของตัวคุณเองนะครับหรือว่าของของตัวผมนะฮะก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะก้าวกระโดดเข้ามาเล่นในในธุรกิจตัวโซเชียลเนี่ยเราก็เคยผ่านมาหลากหลายธุรกิจกันนะครับ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 อาจจะมีลักษณะคล้ายๆกันที่ผ่านมาแต่ว่ามันมันไม่มีทิศทางคุณนึกออกหมฮะมันไม่มีทิศทางมันไม่มีเขาเรียกว่าความโปรเฟ s ชั o นอลที่มันเกิดขึ้นนะครับหรืออาจจะไม่ถึงท i m มิ่งมันก็ได้อาจยังไม่ถึงเวลาของมันนะครับทีนี้ฮะตัวตัวทิศทางเพจเนี่ยนะครับเบื้องต้นเลยเนี่ยเราอย่างที่ผมคุยเสมอเลยนะฮะทำไมผมผมถึงให้ทุกคนเนี่ย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 ค, คือการสื่อสารนี้สามารถสื่อสารได้หมดเลยแม้กระทั่งในใ น, ในโลกเราถึงอวกาศก็สามารถทำได้ผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับผ่านดาวเทียมผ่านสัญญาณต่างๆนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับทิศทางของตัวเพจคิวคิวเนียมันเลยไปในเชิงบวกนะครับมันเลยไปมันเลยไปในเชิงของการขยายเข้าสู่โซเชียลอื่นๆคือคุณต้องเข้าใจในเรื่องของลักษณะของมันหรือคอนเซ็ปต์มันก่อน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 ปล่อยปล่อยความกระหายของเขาฮะแน่นอนฮนะในเมื่อ ม, มันมีพื้นที่ในการโชว์รูปถ่ายใช่ไหมอ่ะเช่น i n s t a g r กรเขาก็ใช้ i n s t a g r กรกันแล้วเขาก็ติดกันนะครับคนใช้หลากหลายเขาอยากจะอวดเขาอยากจะไปฟ o l l o w คนนี้เขาอยากจะไปกดเลิฟอยากจะไปกดไลค์ให้คนนี้นะฮะมันเป็นการเชื่อมต่อกันนะครับทีนี้เหมือนกันนะครับ Line อ่ก็เป็นช่องแชทบล็อกที่ที่ผมใช้คาว่าเป็นแชทแอพพลิเคชันที่ค่อนข้างสะดวกสบายนะ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 ผมบอกเลฮะปัญหาทั้งหมดจะถูกทลายเหมือนน้ำทลายเขื่อนนะครับคุณเก็บสะสมความเก่งกาของคุณไว้นะครับคุณเก็บสะสมประสบการณ์คุณคุณเก็บสะสมในสิ่งที่ที่มันควรจะเป็นนะครับสิ่งหนึ่งะที่ทิศทางของเพจค q คนะฮะผมมองเห็นเลยนะครับคือในระดับของเวอรนะครับเมื่อเมื่อเราดูในเรื่องเซิร์ฟเวอร์เราจะเห็นอย่างหนึ่งนะครับว่าวันนี้จริงๆแล้วเ่เราวางแผนที่จะเวอร์ไวอยู่แล้วนะครับ Facebook ไม่สามารถเข้าจีนได้เข้าได้ก็เพียงหล่อมแหลมนะฮะแต่ลองนึกภาพะเขาเข้าในประเทศที่มีอิทธิพลหรือมีประชาชนใหญ่ขนาดเป็นพันล้านเป็นเศษหนึ่งส่วนสามของโลกไม่ได้เขายังล่ำรวยมหาศาลขนาดนี้แต่ตัวเพจคิวควฮะมันเป็นโปรเจกต์เขาฉลามมันเกาะไม่ได้ทุกอันแสดงว่าการเกาะไปทุกันไม่ว่าเขาจะมีโซเชียลใดๆเราสามารถขอเกาะครับเกาะไปเลยฮะไม่ทาแข่งกับใคร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 ของของภาพเก่าๆภาพเดิมๆนะจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้คุณทำเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งตัวไหนอยู่ก็ตามจะขายสินค้าอะไรก็ตามหรือทำในเรื่องของเซอร์วิสใดๆต่างๆธุรกิจอะไรก็ได้ฮะคุณสามารถใช้พื้นที่นี้ในการเล่นและโฆษณาหรือถ้าคุณมองภาพมันเป็นธุรกิจคุณก็แค่สร้างธุรกิจจากโมเดลของมันแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ปิดกัน้นเพราะฉะนั้นฮะตรงนี้นะครับคุณอยากทาอะไรคุณทาได้เลยนะครับเพียงแค่อยู่ใน ใ น, ในเงื่อนไขสักเล็กน้อยนะครับเช่นถ้าคุณถ้าคุณ ท, ทําธุรกิจตัวหนึ่งอยูอ่คุณอยากทำเพจคิด้วยนะครับคุณไม่เอาธุรกิจของคุณมาโพสในเพจคิก็ได้คุณจะสร้างทีมงานคุณก็สร้างอย่างนี้ครแต่ขอร้องอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นคือเราเราเอาตัวเราใช่มครัเข้ามาอยู่ในกลุ่มจากนั้นเราก็ไปไปชวนสมาชิกคนอื่นๆที่อยู่ในกลุ่ม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 ผมบอกเลยครว่าทิศทางและอนาคตของ PayQQ มันมันมันใสแน่นอนนะครับถ้าคุณเข้าใจในเรื่องของ Autoplace คุณเข้าใจในเรื่องของข้อกฎหมายคุณเข้าใจในเรื่องของ Vision คุณเข้าใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการในอนาคตคุณเข้าใจถึงว่าเงิน 1,000 เนี้ยของคุณสามารถแปลงเป็นเงินหลักล้านได้จากยุทธวิธีใดบ้างในการใช้งานนะครับคุณเคยคุณเคยคิดไหมว่าเงิน 1,000 บาทของคุณจะสามารถเติบโตแล้วงอกเป็นเงินหลักแสนงอกเป็นเงินหลักล้านได้จากธุรกิจออนไลน์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 คุณถึงจะได้หลักแสนคุณต้องลงทุนเป็นหลักแสนคุณถึงจะได้หลักหมื่นคุณต้องลงทุนหลักหมื่นถึงจะได้หลักพันพอคุณมาเจอการลงทุนหลักพันผ่านช่องทางโซเชียลในเวิร์กซึ่งคุณไม่เคยเจอมาก่อนคุณก็อาจตกใจแล้วคุณก็คิดว่ามันทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วผมพิสูจนะครับพิูจตั้งแต่เรื่องของวิชั่นนะครับพิูจในเรื่องของของขอ ง, ขอ ง, ของแผนการตลาดพิสูจคือพิสูจคือพิสูจน์นะฮะผมพิสูจน์แล้วครับวิชั่นเนี้ย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 แน่นอนครับตัวเลขมันไม่โกหกผมพูดเสมอว่าตัวเลขไม่เคยโกหกเป็นความจริงจากพระเจ้าคุณลิสเลยฮะเรื่องรายได้ข้อ 1- นถึงหข้อไหนจ่ายไม่ได้บ้างมาบอกด้วยนะครับตัวเลขฮะถูกกดถูกคํานวณไปไม่รู้กี่สิบยี่ิบรอบแล้วก่อนนี้เราจะกระโดดทําเราไม่ใช่เห็นปุ๊บแล้วเราทําเลยเราต้องมีการคํานวณครับมันถูกคํานวณมันะฮะหนึต้องไม่โอเวอร์เพย์ครับแน่นอนถ้าแผงกราต้องต้องไม่โอเวอร์เพย์นะครับ2คือจ่ายได้ทุก ข, ข้อนะครับจ่ายได้ทุก ข, ข้อเลยครับ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 ถ้าวันนี้มีใครทำเพจคิวๆนะครับแล้วไม่ได้เงินนะครับผมใช้คําว่าก็มีผู้เสียหายนะครับสามารถฟ้องร้องได้เลยนะครับถ้าคุณทําแล้วคุณไม่ได้เงินนะแต่เงื่อนไขนะคุณต้องทําให้ถูกวิธีด้วยนะครับเช่นบางคนเนี่ยมาคุยกับผมทีงานงคุยกับผมเนี่ยพี่กดเงินแล้วเนี่ยมีอยู่เนี่ยอยู่ในกล่องคิวอะ่ะมีอยู่50สคิวทาไมกดออกมาแล้วได้แบบ3ามสี่ร้อยยังไงคุณกดถอนออกมา5้าคิวแบบเนี้ยคุณก็ได้ เท่าไหร่250คุณกดถอนมา10คิวอย่างเงี้ยคุณไม่ได้กดถอนมาทั้งหมดหรือว่าบางคนยังใช้งานไม่เป็นเลยแบบนี้ฮะก็มาบอกว่ากดเข้าไปในช่องคอนเทนต์แล้วมันขึ้น Under Construction เว็บปิดหรือเปล่าอย่างเงี้ยฮะผมต้องบอกยืนน ะ, ะว่าเพจ q ิ q มันไม่เคยปิดเลยนะมันมีแค่ในช่วงของอัปเดตซิสเต็มแค่นั้นฮ ะ, ะมันไม่มีแผนที่จะปิดและไม่มีนโยบายที่จะปิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้ทุกคนสื่อสารด้วยความมั่นใจนะฮะว่าเว็บมันจะไม่ปิดนะครับ มันจะปิดก็ต่อเมื่อหนึ่งผมใช้คาว่า อ, อ, อาจจะไม่มีคนดูโปรแกรมแล้วอาจจะไม่มีคนใช้โซเชียลนี้แล้วนะฮะหรือไม่มีใครโพสเลยนะครับหรือผมใช้คาว่าแผนโอเวอร์เพย์ซึ่งมันก็ไม่โอเวอร์เพย์นะไอสามสี่อย่างที่ผมพูดมาเมื่อกี้ผมบอกเลยนะว่า <c oughs> ไม่เกิดขึ้นจริงเออ ม, proof, ม, ม, มันถูกพิสูจน์ไปแล้วทีนี้นะ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 มันถูกจ่ายไปเรียบร้อยแล้วลครจุดมุ่งหมายมันถูกมันถูกพิสูจน์ไปแล้วลว่ามันจ่ายจริงฮมันอาจจะชา้าบ้างเพราะว่าเราเพิ่งผ่านอัปเดตโครงสร้างใหญ่มาใช่ไหมแต่ถ้าคุณเห็นว่าผมใช้คําว่าอะไรดีล่ะเจตนาคือเจตนาของซีอคุณโอแบบนี้เขาเป็นคนเจตนานี้ทําไมเขาถึงทําแบบนี้นะคำถามก็คือว่าตัวเราเจตนาแบบไหนมากกว่านะครับบางคนยังกลัวถูกโกงอยู่เลยบางคุยบางคนยังแบบ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 คุณเห็นผลลัพธ์คุณก็จะมีความเชื่อมากขึ้นพอคุณเชื่อมากขึ้นคุณก็จะทํามากขึ้นพอคุณทํามากขึ้นคุณก็จะได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้นนะครับผมใช้หลักการนี้ตลอดนะดูนะฮะเขาเรียกว่า cb บีดูแฮนะฮะโอเคนะครับซีบีดูแฮสครับซคือเห็นเห็นอะไรฮะเห็นเห็นเห็นว่ามันเป็นไปได้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 แล้วก็คิดว่าเราอ่ะไปหลอกคำถามคือมึงมีอะไรให้กูหลอกปะกูจะต้องหลอกเอาเงินห้าร้อยกับมึงเนี่ยนะนะ ค, คือคนส่วนใหญ่เนี่ยบางครั้งนะฮะเขาก็ไม่ได้เห็นโอกาสเสมอไปหลอกเป็นเรื่องปกติแต่วันนี้เราทำดีที่สุดแล้วคือเราให้โอกาสเขานะครับเงินห้าร้อยผมบอกเสมอฮะเงินห้าร้อยเป็นเพียงทางผ่านเป้าหมายจริงๆของคุณคือแพสซีฟเดือนละหกล้านต่างหากนะครับนี่คือของจริงนะครับทีนี้ฮนะแน่นอนครับ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 ในเดือนถัดไปนะมันออกแค่เดือนละครั้งแต่เราได้ข้อหนึ่งถึงสาบอกทุกวันคือคุณก็ต้องรู้คุณต้องศึกษาก่อนนะฮะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของข้ อ, อกฎหมายหรือแม้กระทั่งวิธีการใช้งานพี่เนี่ยทำไมผมแนบสลิปไม่ได้เลยทําไมผมผมโพสต์รูปภาพาไม่ได้เลยนะฮะแต่โลโก้ลายจ๋าเลยนะฮะไปเปิดจากไลน์ไลน์ไม่ใช่เบราว์เซอร์นะฮะคือคุณไม่ได้ศึกษาการใช้งานนะครับคือคุณอยากทำทำทำทำทำนะครับหรือแม้กระทั่งบางคําถามที่ไม่สมควรจะถามเช่นเอ่อ อะไรอ่ะมันมีอยู่นะบางคําถามที่ไม่สมควรจะถามผมเนี่ยเช่นพี่ชั้นที่21เอ็แล้วได้ไหมอะไรเ ง, งออี้ยฮะนึกออกไหมฮะหรือแม้แต่กระทั่งแบบว่าสมมติว่าทีมงานเราไปแนะนําเพื่อนเราแล้วเราจะได้เราจะได้ไดค่า500นี้ด้วยไหมอะไรเงี้ย ค, คือคือคือมันต้องเข้าใจครับนะครับหรือแม้แต่กระทั่งในการใช้งานแบบนี้ครับบางคนยังยังแบบเข้าเพจคิวคิวไเป็นเลยอ่ะนะฮะไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกทีมงานสอนมาก่อนนะครับ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 แต่ผมอยากจะให้ทุกคนแฮปปี้ในการทํางานนะครับคือใครจะเห็นด้วยกับผมก็ได้นะผมก็ไม่ได้ว่านะฮะใครที่ไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องโอนก็ได้นะ ค, คุณก็โอนไป1นึ่พนะครับแต่ใครที่เห็นด้วยกับตรงนี้ที่เซ็นเตอร์ทํางานแล้วมันทํางานง่ายขึ้นที่ที่คุณเห็นทีมงานของคุณนะฮะมีการมีการทํางานได้รวดเร็วขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นผมบอกเลยครับว่าส่งต่อวัฒนธรรมนี้ไปก็ได้ มันไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายนะครับมันมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาคิดกังวลว่าเฮ้ย mm hmm. เนี่ยโอ้โหเนี่ยถ้าบริษัทได้สักแสนคนก็ต้องได้ 20,000 กว่า 30,000 กว่าถ้าล้านคนได้เท่านั้นเท่านี้คุณเช่ไหมว่าจริงๆนะ้วเขาไม่ได้อยากได้หรอกครับต่อให้มันได้จริงนะเดี๋ยวผมบอกเลยเขาก็หาวิธีการที่จะเอามาคืนพวกคุณให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะถ้าใครทําได้ทําเลยนะครับพยายามโอนนะฮะ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 เวลามันใกล้เคียงกันะมันอาจจะไม่ตรงกันเป๊ะจะเน้นย้านิดนึงนะครับในเรื่องของการโอนจากจากพวกทรูมันนี่นะจากพวกธนาคารออนไลน์อย่างเงี้ยเวลาโอนในเว็บเนี่ยบางครั้งมันโอนข้ามวันนึกออกมมันโอนจากวันเนี้ยสมมติวันนี้ today นะคุณโอนวันเนี้ยแต่มันไปเข้าบัญชีเซ็นเตอร์วันพรุ่งนี้ tomorrow มันไปเข้าบัญชีพุ่งนี้เวลาตอนไหนก็ไม่รู้พอเวลาไปรีเช็คบอก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 คุณรู้ใช่ไหมครับว่าวันนี้การทําธุรกิจของคุณอะถ้ามันจะง่ายคือมันต้องตรงกันเช่นคุณรู้ว่าเซ็นเตอร์ใช้กาสิกรแล้วคุณกําลังจะทำคุณกําลังจะทําเงินจากธุรกิจเนี้ยคุณคุณต้องเข้าใจพ้อยกันนะคุณกําลังจะทําเงินจากธุรกิจเนี้ยนะครับเซ็นเตอร์ใช้กาสิกรคุณก็ไปใช้กาสิกรก็ได้ฮะเวลาโอนโอนผ่านนี่ก็ได้ฮะอินเทอร์เนต็ตแบงกิ้งง่ายๆเวลาตรงกันเป๊ะเลยนะครับ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 ในตัวทีมโค้ชของผมนะครับว่าทุกคนนะครับสามารถนำพาความรู้ต่างๆเหล่านี้ไปยังทีมงานของทุกท่านได้นะครับหลายๆท่านนะฮะเป็นเป็น Number รของธุรกิจมาบางท่านเนี่ยเก่งมากในเรื่องของ IT ทนะครับบางคนเนี่ยมองเห็นวิชั่นแล้วก็มีผมใช้คำว่ามีแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่มากคือมองเห็นว่าเขาจะทำเงินจากตรงนี้ได้ยังไงบ้างแล้วเขาก็ทาอย่างถูกต้องนะครับ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 มันไม่มีแผนที่จะมากักรายได้เพราะว่าต่อให้วันนี้ยคุณสมัครเข้ามาคุณก็ได้เงินเลยฮะเมื่อรหัสอนุมัตินะครับมันไม่ต้องมารอจับคู่ฮะมันไม่ต้องมารอแบบสร้างทีมบาลานซ์คือคือมันเป็นอะไรที่ง่ายเป็นอะไรที่แมสแล้วเข้าถึงทั้งหมดนะครับโอเคนะฮะผมก็นะครับคงคงคงพูดในเรื่องนี้ด้วยนะฮะอยากอยากจะให้ทุกคนมีมีในส่วนของ mindset เรื่องนี้นะฮะวิธีคิดของคนสําเร็จนะครับ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 คือถ้าระบบเข้าไม่ได้เขาขยันขยอเขา้าพอขยันขยอเขา้าคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหนึงเข้าไม่ได้สีวะโอ้โป้งป้างเป้งโป้ ง, ปอ ง, ปอ ง, ปองโอ้โหไปกันใหญ่เลยคราวนี้นะฮะหรือแม้กระทั่งนะฮะคุณไปคุ ย, ยกับเขาเนี่ยเขาสมัครมาหนึ่พบาทเนี่ยนะครับแล้วคุณก็ไปคาดหวังว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้นเขาต้องเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นแบบนั้นคุณก็อารมณ์เสียพอพอพอได้คือยังไงอะ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 บางคนแท้เมื่อวานอารมณ์เสียจากที่เข้าเว็บไม่ได้สมมตินะคุณอารมณ์เสียคุณเซ็งจากการที่คุณเข้าเว็บไม่ได้พอมาวันนี้คุณเข้าได้คุณก็หายเซ็งจริงไหมจริงๆแล้วคุณจะเซ็งทําไมฮะคุณเซ็งไปปุ๊บคุณไม่ทําอะไรเลยทั้งวันแต่พอวันเนี้นะฮะคุณก็ไม่ต้องเซ็งแล้วไงก็ทําไมคุณไม่เอาเวลาเซ็งของคุณไปทําอย่างอื่นที่มันรีแลกซ์อย่างเงี้ยไปดูหนังก็ได้ฮะฟังเพลงก็ได้ครับเว็บมันเข้าได้คุณค่อยมาเข้านะครับนะครับ เราจะไม่ติดนิสัยนะครับในการอารมณ์เสี่ยง่ายนะครับแล้วก็ผมใช้คาว่าอันนี้เป็นประโยชน์คุณเลยนะความสำเร็จคุณต้องมีความใจเย็นคุณจะต้องฝึกการใจเย็นคุณโมโหใช่ไหมคุณโมโหคุณรู้ว่าเอ้ยเนี่ยโมโหรู้ไหมฮะว่าคนสามารถคนสามารถกำจัดความโมโหไปได้ทันทีเลยนะถ้าคุณรู้ว่าคุณโมโหแล้วคุณไม่ได้อะไรคุณโมโหคุณกระทึบคุณกระทึบเท้า คุณทําด้วยอารมณ์สิ่งที่คุณได้แน่นอนฮนะเป็นลบแน่ๆคุณได้ความสะใจนะเวลานั้นคุณได้ความสะใจเอ้เนี่ยโหไม่เอาแล้วคืนรหัดได้เอาเงินคืนมาที่ผ่านมามีหลายเคสนะเอาเงินคืนมาบริษัทคืนให้เลยครับไม่ไม่งอนะ้อฮะคืนเลยครับรู้ไหมฮะว่าคุณเสียโอกาสครั้งยิ่งใหญ่เลยนะในการที่จะมีพื้นที่แบบนี้ธุรกิจแบบนี้ในราคาต้นทุนที่ถูกคุณบอกกับ ตัวเองว่าไอ้กูไม่เหมอะกูอารมณ์เสียแนละ้วมึงมึงช้ามึงไม่ได้ดั่งใจมึงแบบกระหลงปง <c oughs> ก็กไม่ว่ากันฮนะแต่คุณต้องถามตัวเองอนนะว่าคุณกําลังพลาดโอกาสอะไรอยู่หรือเปล่าบางครั้งเนี่ยคุณทําดีมาเป็นร้อยครั้งนะคุณทำพลาดครั้งเดียวคือพลาดเลยนะนะครับคุณอาจจะคุณอาจจะมองไม่เห็นหรอกครับว่าว่าว่าทิศทางมันไปทิศทางไหนณนะตอนนี้นะฮะแต่เมื่อคุณมีเงินเข้ากระเป๋าคุณจะรู้ว่าเฮ้ย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 กดเกลียวนะฮะไม่อยากให้เรามีอารมณ์ร้อนง่ายนะครับอยากให้พวกเราใจเย็นๆนะฮะฝึกความใจเย็นนะครับทุกความสําเร็จมีทั้มมินะฮะมันง่ายครับมันง่ายจนชนิดที่ว่าถ้าคุณเป็นนักการตลาดอยู่แล้วหรือว่าถ้าคุณเคยทำเน็ตเวิร์กมาแล้วคุณมองแผนสอามนาทีคุณก็มองออกเลยเหลือแค่วันนี้คุณเอาไปสื่อสารที่คนเข้าใจยังไงคุณอย่าลืมนะฮะในโลกนี้มันมีคนที่ชอบมีคนที่ไม่ชอบนะครับแต่คนที่ชอบและไม่ชอบสังเกตไหมฮะ ไอสองพวกนี้มันเล่นโซเชียลกันทุกคนน่ะจริงไหมชอบก็เล่นโซเชียลไม่ชอบมันก็เล่นโซเชียลแสดงว่าคุณจําเป็นต้องรู้เดี๋ยว่าอ่ะถ้าคุณไปคุยกับคนที่เขาชอบการทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นในธุรกิจคราคาือข่ายไม่ว่าจะเป็นในธุรกิจเกี่ยวกับโซเชียลแบบนี้นะฮะหรือเขามองเห็นช่องทางคือเขาบวกเอาไว้ไง่ายคุณก็ควรรู้ว่าคุณควรจะเอาข้อมูลอะไรไปคุยกับเขาถ้าคุณคุยกับคนที่เขาไม่ชอบ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 ถ้าวันเนี้มีอาชีพที่คุณไม่ชอบเลยนะแต่มันได้เงินเดือนเดือนละ5ล้านคุณทํำไหมเช่นขายยางเกงในสมมุตินะคุณเป็นวิศว ก, ก, กรอยู่แต่ว่าอยู่ดีเนี่ยมีคนมาเสนอให้คุณไปทําธุรกิจขายยางเกงในแต่ได้เดือนละห้าล้านคุณเป็นเจ้าของธุรกิจขายยางเกงในไม่ได้มีชื่อเสียงดูแบบทุเล็ทุเล็ด้วยคุณขายยางเกงในแม่งโลคจิตหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยนึกออกไหมแต่คุณได้เงินเดือนเดือนละ5ล้านไม่ต้องชอบก็ได้นะทำเลยชอบผลลัพธ์เดือนละ5ล้านนะครับคือมันหมดยุคสมัยนะครรับของกาวด เขาเรียกว่าการอวดอาชีพอะ่ะคือมันหมดไปแล้วอะ่ะสมัยก่อนใช่ฮะโอ้ยเนี่ยเป็นอ้ยผมเป็นหมอผมเป็นวิศวกรเป็นสถาปนิกผมเป็นโอ้ตำรวจยศเท่านั้นเท่านี้มันติดนี่กันทุกคนเนื่องออกไหมอมันหมดไปแล้วฮะขับวีอออย่างเงี้ยฮะไม่ใช่ฮะคุณคุณคุณอวดผลลัพธ์เนี่ยคุณอวดเลยฮะในยุคต่อไปของคุณเลยนะ ผลลั ค, คุณคุณขับเบนซคุณขับแลมโบลอะไรก็ได้ฮะที่คุณชอบคุณมีบ้านราคากี่ล้านกี่ล้านนะฮะคุณจะสําเร็จเท่าไหร่ก็ได้ตามที่คุณต้องการนะครับขอให้คุณมีมีความมุ่งมั่นแล้วกันนะครับมันเป็นยุค ข, ของการอวดผลลัพธ์เป็นยุค ข, ของการอวดไลฟ์สไตล์นะฮะมันเป็นยุคของของของความสบายอย่ามาบอกกับผมนะว่าเฮ้ยทำไมตอมพูดแต่เรื่องเงินเรื่องเงิ น, งงนผมไม่ได้พูดแต่เรื่องเงินนะครับผมพูดความจริงนะฮะความสุขของคน แน่นอนฮะมันไม่ใช่เรื mm ่องเงินเสมอไปฮะแต่คุณขาดเงินไม่ได้คุณต้องยอมรับข้อเท็จจริงของมันนะครับคุณสามารถช่วยคนได้เยอะมากๆากนะฮะถ้าคุณอยากช่วยคนใช่ไหมคุณเอาโปรเจกต์เนี้ยไปช่วยคนเลยคุณมีเงินใช่ไหมคุณจะบริจาคก็ได้แต่ถ้าคุณไม่มีเงินคุณช่วยเหลือใครไม่ได้เลยสักคนเดียวนะครับอันนี้ผมบอกเลยนะฮะคุณไม่มีเงินคุณอยากคิดไปช่วยใครนะครับการช่วยเหลือคุณต้องมีเงินก่อนนะฮะอันนี้ผมพูดเรื่องจริงนะครับโอเคนะครับทีนี้มาดูฮะ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 เราเคยเราเคย ท, ทําธุรกิจออฟไลน์มาซะส่วนใหญ่นะครับเช่นคุณเคยเนี่ยมานั่งเฮลมิทติ้งกันนะครับแล้วคุณก็สอนงานคุณเคยต้องแบบต้องไปสปอนเซอร์ว on ันออนวัคุณเคยต้องแบบไปคุยกันต่อหน้านะครับเพจคิคิวมันไม่ต้องคุยกันต่อหน้าก็ได้นะฮะคือมันง่ายนะครับมันไม่มีอะไรซับซ้อนมันไม่มีอะไรหมกเม็ดฮะแผงกันตลาดไม่ต้องผาคุยกันตรงๆได้เลยนะครับเราสามารถ สร้างรายชื่อหรือว่าสร้างผู้ร่วมธุรกิจจากออนไลน์ได้เช่นคุณเล่น Facebook อยู่ใช่ไหมนะครับคุณมาดูนะในเฟซบุ o กผมเนี่ยนะครับผมผมจะชอบทำผมใช้คาว่าสร้างแบรนด์ให้ตัวเองนะฮะอาจจะเป็นในเรื่องของนะฮะรายได้นะครั บ, รนะ ค, รบคือมันเป็นการเชิญชวนชนิดหนึ่งนะทำายังไงให้คนสนใจมากกว่า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 เมื่อก่อนตื่นตอนเช้ามาเช็คสเตตัสเฟซบุ๊กใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ตื่นขึ้นมาดูเพจคิวๆว่าวันนี้จะมีเงินเข้ า, เ, ขาเท่าไหร่นะนะฮะโอตื่นมามีเงินเข้าหมื่นนึงอย่างเงี้ยครับเห็นไหมฮะมันตื่นเต้นมากเลยเข้าวันละสี่พ ,5000 าพันคือคุณสร้างสตอรี่ฮะคุณสร้างสตอรี่คุณสร้างความความควา ม, วามตื่นตาตื่นใจให้กับเพื่อนของคุณที่เขาเห็นเฮ hey! ้ยเงินเข้าเว้ยมันทําอะไรวะก็ดูง่า ย, ายๆ่นี่กว่าแล้วคุณก็อาจจะใส่คลิปของผมไปก็ได้นะครับคุณใส่เบอร์โทรตด่ อ, อคุณไป้วยนะ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 นะครับผมเอาผมเอาผมแคปเจอร์หน้าจอนะฮะสมาชิกที่เขามีการทำไรายได้แล้วเนี่ยมานะครับว่าเฮ้ยเนี่ยมันมีคนทำแล้วได้รายได้เนี่ยมันคืออะไรล่ะนะฮะเห็นฮะหลักฐานมากมายนะครับเกี่ยวกับการใช้งานเพจคิวนะฮะงอกเงินจากเงิน 1,000 บาทนะฮะเป็นหลักหลายหมื่นบาทนะครับต่อวัน ด้วยเพจคิวคอะไรเงี้ยคุณใส่แคปชั่นไปนะครับช่องทางการทำเงินบนอินเทอร์เนต็ตนะฮะหรือแม้แต่กระทั่งตู้ ATM ในมือถือของคุณเฮ้ยผมชอบคำนี้มากเลยนะมาเปลี่ยนมือถือของคุณให้เป็นตู้ ATM ด้วยเพจคิวกันดีกว่าอ๋อเจ๋งไหมนะฮะอันนี้ให้เครดิตพี่พี่ท็อปนะฮะพี่ท็อปพี่ท็อปนะฮะ I get team <อ>นะฮะผมชอบมากเลยผมได้ยินผมได้ผมอ่านผมอ่านแคปชั่นนี้แล้วผมชอบมากเลย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 จากนั้นนะฮะอันนี้คุณดูผมนะสมัยแรกๆเนี่ยที่ผมได้เนี่ยนะฮะช่วง2 0 0พันกว่าบาทนะพันนเห็นไหมผมก็มาเขียนแคปชั่นอุยเงินเข้ามาแล้ว2 0 0พันะฮะอ่าเนี่ยพันกว่าบาทอะไนี้ฮะเห็นไหมฮะมีหมดครับผมมีหมดตั้งแต่ช่วงเริ่มเนี่ยมาถึงเรื่องพันล้นะครับจากนั้นก็ขยับขึ้นนะฮะมาแบบ 5,000, ัน0 0 7ัน0 1 1 0พ0 2 0ม0 0หนึ่งืแบบนี้ครับคนเวลาคนเขาติดตามคุณนะเขาจะแบบเฮ้ย เฮ้ยมันได้เว้ยเฮ้ยมันได้เยอะขึ้นตลอดเว้ยหรือแม้กระทั่งตอนที่คุณถอนเงินเข้ามาอย่างเงี้ยเห็นหมฮะรับโอนเนี่ยสองหนสามรอยบาทนเงี้ยผมก็ใส่มาตลอดนะสร้างสร้างโปรไฟล์ของคุณนะ่ะสร้างสร้างให้มันเกิดความเชื่อมัน่นสร้างให้มันมีข้อเท็จจริงอย่าขี้โมนะ้ฮะอย่าขี้โม้ผมบอกอย่างหนึ่งเลยอย่าขี้โม้อย่าโอเวอร์เซลล์นะครับการโอเวอร์เซลล์หรือว่าการขี้โม้การกไม่พูดข้อเท็จจริงหรือการไปหลอกลวงเขาไม่ส่งผลดีดใดทั้งสิน้นนะครับไม่สนับสนุนเลย นะครับในเรื่องของความคีโมนะฮะอย่าีโมนะฮะโอเคนะครับเห็นไหมฮะคุณคุณเคยมีแบบยังไงเนี่ยสมัยก่อนนี่คุณดูผมนี่ดูนะอยู่ป่ามันนะฮะเปลี่ยนมาใส่สูตรคือมันต้องมีจุดเปลี่ยนแปลงอ่ะของตัวเองอ่ะคุณนึกออกหนะฮะคุณอาจจะไม่ต้องมาใส่สูตรเหมือนผมก็ได้นะฮะมันเป็นแค่ในเรื่องของลุกในเรื่องของบีอิงนะฮะทให้มันเป็นธรรมชาติที่สุด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 สิ่งเล็กๆน้อยๆที่คุณทําอยู่ในชีวิตของคุณน่ยคุณอย่าใช้ชีวิตแบบปิดตาข้างเดียวะนะฮะ <_ S 1> เฮ้ยมันไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ได้นะ <_ S 2> อย่าให้คําเหล่านี้นะครับมาอยู่ในหัวของคุณนะครับ <_ S 1> พยายามพยายามสร้างสร้างรีเลชั่นชิพกับคนที่ที่เป็นทีมงานกับตัวคุณด้วยนะอันนี้สําคัญเลยนะครับ <_ S 1> คุณได้คนมาจากออนไลน์ก็จริงนะฮะสมาชิก ม, มาจากออนไลน์ก็จริงนะครับ เหมือนอย่างวันนี้ที่ผมนั่งคุยกับทุกท่านผมผมกำลังสร้าง Relationship สร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกคนนะครับทุกคนเห็นหน้าผมนะผมมีตัวตนนะผมอยู่ตรงนี้นะฮะผมมีตัวตนนะครับคนเห็นหน้าเรานะครับคนก็รู้สึกว่าเออไอ้นี่มันมีตัวตนไหมเฮ้ยเออว่ะมันมันมันสอนงานมันมันแบบทำงานกับเรานะครับมันมันโอเคอะไรประมาณนี้นะการสร้างทีมงานแบบออฟไลน์ทำให้คุณมีความสัมพันธ์กันมากขึ้น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 บางครั้งคุณไม่เคยมาเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีเลยแต่คุณเห็นว่ามันเป็นไปได้ฝึกได้ครับถ้าวันนี้คุณเล่น Facebook กับคุณเล่นไลน์ได้คุณเล่นเพจค q วคได้แน่นอนถ้าคุณเคยทําธุรกิจมานะครับหรือคุณทํางานอยู่หรือคุณทําอะไรอยู่ก็ตามแต่คุณสามารถทำเพจคิวคิได้โดยที่คุณสามารถศึกษาได้ครับข้อมูลมันไม่ยากมันง่ายนะครับในเรื่องธุรกิจคุณอาจจะไม่มีประสบการณ์มันก็จะสอนประสบการณ์ให้คุณไปเองในเรื่องของธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นนะไม่ต้องไปกังวล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 มั่วจนเกิดความชำนิชำนาญ น, นะฮะผมเหมือนกันนะครับแต่ว่าเบื้องต้นนะครับก็ก็จะทำให้เช่นการสมัครสมาชิกใช้จากเบราว์เซอร์อะไรนะครับคุณเข้าไปนั่สลิปแบบไหนนะครับการโพสต์คอนเทนต์การดึง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 ถามมาได้เลยนะครับจะได้ทีเดียวนะครับอยากถามชันไหมถามได้หรือเปล่าถามได้นะครับถามเลยนะฮะเค <c oughs> มีไหมฮะ <c oughs> ผมแนะนำ <c oughs> ใคร <c oughs> ได้เลยไหมอ๋อ <c oughs> นิดนึงนะฮะคือคือเวลาที่เราสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับ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 อยากเสนอแนเวลาแนบลิงก์น่าจะสามารถคลิกที่ลิงก์แนบได้เลยครับเพรากดไม่ได้ครับอ๋อในเรื่องของการสร้างคอนเทนต์ใช่ไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยเพจค q คอ่ะคุณต้องเข้าใจอย่างว่ามันเป็นการมันเป็นการทำลิงก์คือตัวเพจ QQ วอ่ะมันเป็นการทำทัฟฟิกข้างในออกไปข้างนอกแต่ถ้าคุณเอาลิงก์มาเนี่ยต่อให้คุณจะเอาลิงก์สมัครมาคือคุณเอากำลังเอาลิงก์จากข้างนอกเข้ามาข้างใน มันเป็นทัฟฟิกนอกวิ่งมั้งในมันจะไม่ได้นะครับณนะตอนนี้นะฮะแต่เดี๋ยวยี่หน่อยคงคิดว่าน่าจะปรับให้มันกลายเป็นกดลิงก์ได้นะครับ <ayo. S 1> เผื่อคุณอยากจะแปะลิงก์นะครับก็สามารถแปะได้นะครับตอนนี้ต้องเป็นอวดลิงก่อนนะครับโอเคร ะ, ะ, ะบบจะเสถียรมื้่ไหร่ครับระบบจะเสถียรมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับคุณโอมฮนะแต่ว่าก็เร็วๆนี้นะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับในเรื่องของการรอคอย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 แล้วก็แจ้งไปในกรุ๊ปไลน์ด้วยนะครับ uh huh. อ่ะโอเคนะฮะ uh huh. ไม่มีคำถามแล้วเนาะมีไหมมีมีเหรอหนึ่งคนสมัครได้กี่รหัสคหนึ่งคนสามารถอันนี้ตอบตามตรงหนึ่งคนสามารถสมัครได้กี่รหัสก็ได้แต่ uh huh. ผมไม่สนับสนุนนะฮะฟังดีนะฮะทำไมถึงไม่สนับสนุนนะครับคุณกำลังจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มันดีเยี่ยมคุณจะต้องไม่สมัครหลายรหัสหนึ่งคนหนึ่งรหัสเท่านั้น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 เมื่อก็ได้ไไขอให้มีบัญชีธนาคารเมื่อไหร่จะมาที่อุดรบ้างครับคุณมาที่ขอนแก่นนะอุดรมาที่ขอนแก่นเลยนะครับวันที่15้นะฮะใกล้ๆผมเดินทางไป400กิโลนะครับเพราะฉะนั้นคุณมาหาผมดีกว่านะครับนะฮะพยายามจะจัดให้ให้ครบทุกจังหวัดนะฮะครอ บ, บคลุมทุกภาคนะฮะแต่ว่า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 S <S <S เอ่อ <S <S 1> <S 1> บอกอย่างนี้ครับว่ามันมันก็ไม่จาเป็นหรอกนะแต่ว่าถ้าคุณเห็นว่ามันมันสาคัญคุณก็มาฮะคุณก็มานะครับ <S <S <S เพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีคลิปทุกอย่างนะครับนะฮะโอเคโอเคขอบอยังถ้างั้นเดี๋ยวใจกันนะฮะพักผ่นนะครับทุกท่านแล้วก็ฝากโค้ชนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับแชร์นะครับสิ่งที่คุณได้วันนี้นะครับ